วิขาววีคูจิตเตจิตานุปัสสิวิหรารติมจิตตานุปสัสสนาสติปัฏฐานังพุทเวทนา บทเวทนาบทจิต <c oughs> บทเวทนาบทจิตเราอยู่กับเวทนาเราอยู่กับเวทนาเวทนาปรากฏที่จิตของเรา ระยะทุกเวลาเวทนาเวทนาก็คือความรู้สึกดีใจรู้สึกเสียใจรู้สึกเฉยเฉสุขขเวทนาทุกขเวทนารู้สึกสุขรู้สึกทุก กายมารู้สึกจิตเป็นผู้มารู้สึกแหน่มันสัมพันธ์นกันกับจิตตลอดเวทนาสัมพันธ์กับจิตตลอดแม้เด็กสุขเวทนาทางกายก็สัมพันธ์มาที่จิตสุขเวทนาทางจิตก็สัมพันธ์มาที่จิตสุขเวทนา สุขเวทนานี่คือเกณฑ์ที่อายตนะมันกระทบกันคำว่าวเกณฑ์คือกฎเกณฑ์ของมันอะ่พะพอเวลามันกระทบกระทบกันแล้วเนี่ยจิตรับทราบจิตรับทราบปับเกิดความรู้สึกว่าเป็นสุขเกิดความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เ<ม>ช่นอย่างพัดลมมาสัมผัสกับเราเนี่ย พัดลมเป็นวัตถุข้างนอกเป็นโพตาพัดลมมาสัมผัสกับผิวกายของเราพอมาสัมผัสปั๊บเกิดความเย็นนะเกิดความรู้สึกสุขเนี่ยพัดลมมาสัมผัสปั๊บเพราะว่าเราร้อนๆเนี่ยพัดลมมาสัมผัสปั๊บ เกิดความรู้สึกว่าเป็นสุขเป็นสุขเขเวทนาเป็นสุขเขเวทนาซึ่งพัดลมดับปับ๊บเราไปดับพัดลมป๊พัดลมดับเกิดความร้อนมาที่กายเป็นทุกขเขเวทนาเวทนาคือความรู้สึกที่ใจแต่ถ้าเราเจริญสติ เระเจอสติตามบทเจิญมหาสติเนี่ยเกิดความรู้สึกทางกายจนอย่าง ก, กายมันร้อนๆเกิดความรู้สึกเย็นเกิดความรู้สึกชอบใจเป็นสุขเป็นสุ ข, ขเวทนาเอาสติมากําหนดรู้ว่าสุขเขเวทนาสักทะว่าสุขเวทนาหมุนดับพัดลมปั๊ เกิดความร้อนขึ้นมาเป็นทุกข์เรามีสติรู้ทันว่าเป็นทุกขเวทนาอันนี้หมายความว่าเราต่อสู้กับกิเลสแล้วนะเราตัดกระแสของกิเลสแล้วเพราะเรามีสติสติกำหนดจดจ่ออยู่อยู่วสุขเวทนาตัณหาเกิดไม่ได้เกิดความรู้สึกว่าทุกขเวทนาตัณหาเกิดไม่ได้ เอาสติมากำหนดรู้ว่าโอ้สุขสุขเวทนากำหนดรู้แค่ น, นี้ตัณหามก็เกิดที่จิตไม่ได้จะเกิดสุขเวทนาจะเกิดทุกขเวทนาการทาความรู้จักที่จิตเน่ยตัณหาแทรกมาที่จิตไม่ได้จะสุขก็ตามจะทุกขก็ตามบางทีไม่สุขไม่ทุกขที่เรียกว่าอุทุกขมสุขเวทนานี่มันก็คือที่เรียกว่า อาเบียขาเวทนาอาเบียขาเวทนาแล้วว่ามันไม่ยินดีกับความสุขมันไม่ยินร้ายกับความสุขมันก็มาอยู่กลางๆเฉยๆมันไม่สุขมันไม่ทุกข์มันกลางๆเฉยๆแต่ว่าไอ้กลางๆเฉยๆมันก็พร้อมจะเอียงไปเพื่อความทุกข์พร้อมที่จะเอียงไปเพื่อความสุขมันเฉยๆอย่างนี้เราก็มีสติรู้ทันอีกมีสติรู้ทันอีก นี่คือพิจารณาเวสน า, นามันละเอียดนะมันหลายขั้นหลายตอนหลายกระทงอาศัยว่าเราต้องมีสติกากับที่จิตโกตลอดสติก็คือความรู้สึกที่จิตของเราความรู้สึกชัดอยู่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละคือตัวสติแท้แหละถ้าสติไม่เกิดสักจ่ว่ารู้ตัณหาสวมรอย ตัณหาสวมรอยพอสติไม่เด่นโร่อยู่ตัณหามันสวมรอยเกิดความรู้สึกเย็นเย็นชอบใจแน่ตัณหาเกิดความยึดชอบใจแล้วเราก็ย่อนใจไปให้ใจมันชอบชอบไปตามที่ลมมันมาสัมผัสเรานี่คือตัณหาเกิดแล้วอยากมีความอยากให้มันให้มันมีความสุขอย่างนี้ยิ่งขึ้นไปยึดเข้ามายึดเข้ามายึดเข้ามายึดเข้ามาติดร้อง ติดชาต์ของอารมณ์ที่เป็นสุขของอารมณ์ที่เย็นเย็นเนี่ยเป็นสุขติดชอบในอารมณ์ที่เป็นที่ที่เย็นเย็นที่เป็นสุขเนี่ยหรือติดชอบในอารมณ์ที่ที่มันไม่ชอบใจเป็นทุกข์แสดงว่าปล่อยตันหาตันหาเกาะที่ใจของเราแล้วพยัญชนะเจริญมหายสิปันฐานคือการพยายามกำหนดจดจ่อสติพิจรารณา เจรู้อยู่เราลองทำให้รู้ให้เป็นในขณะปัจจุบันในขณะที่เรากาหนดจดเจาะอยู่ให้มันมีสติรู้ทันอ้อเย็นอ้อร้อนเย็นเมื่อเรารู้ทันมันก็ดับมันไม่ดีใจร้อนเรารู้ทันรู้ทันแล้วมันก็ดับมันไม่เสียใจ เราปล่อยเกิดความดีใจเกิดความเสียใจตัณหามันยึดแล้วตัณหามันพายึดเวทนาเราเพียงแต่ทาความรู้จักอยู่เฉพาะจิตเราไม่ต้องเป็นนึกมากถึงขนาดนั้นร้อนก็รู้เย็นก็ให้รู้ร้อนก็รู้เย็นก็รู้พยายามกุดหนุนจุนเจือผู้รู้ของเราให้เด่นเร็ว ชัดอยู่มันจะสั่งแต่ว่าเรายิ่งเรากุดหนุนให้มันรู้ชัดมากเท่าสวางมากเท่าเด่นมากเท่ามันก็เป็นการเ พ, พิ่มพูนสติสามัญญะสมาธิก็อยู่ในนี้แหละปัญญาก็อยู่ในนี้แหละเราพยายามกาหนดจดจ่อดูเราสวดบทเวทนาเวทนานุปสนาตามดูเวทนา เราสวบดบทจิตจิตตานุปัสสนาตามกําหนดจดจ่อรู้กับผู้รู้ของเรามันละเอียดนะมันละเอียดกําหนดรู้อยู่กับผู้รู้มันจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราค่อยๆทําความรู้จักกับมันมันจะรู้จักกับตามมันไม่รู้จักกับตามขอให้เรารู้อยู่กับอารมณ์ที่มันเกิดเฉพยาะจิตของเรามันจะเป็นเวทนา ก็ตามมันจะเป็นจิตความระลึกรู้จิตดีใจนี<ม>พราะมันเกิดเวทนาแล้วมันดีใจกําหนดรู้ที่เวทนาด้วยกหนดรู้ที่จิตด้วยมันได้ได้ทั้งเวทนานุปัสนาได้ทั้งจิตตานุปัสนามันละเอียดมันแตกแขนงอยู่ในนี้นะขอให้เราทําความตื่นรู้อยู่อย่างได้อย่างหนึ่งมันจะเริ่มรู้เริ่มเข้าใจแต่ก็จะกระจายไปหมด จนเราเห็นแต่พฤติกรรมมันยับยับยับยัลี่ยนเข้าไปที่จิตมันคล้ายๆกับว่ามันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงของมันเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงของมันมีสติตื่นรู้มีผู้รู้ตื่นรู้รู้รู้รู้ยับดับยับดับยับดับเปลี่ยนแปลงไปแต่ตัวตื่นรู้โรูู้อยู่นรืยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ เราทําความรู้จักอยู่อย่างนี้สืบเนื่องสืบช่วงกันยาวๆเป็นการมารู้จักกับตัญหาเพราะมันเผลอพับตัญหาเกาะพอเผลอพับตัญหาเกาะพอเผลอพับตัญหาเกาะนี่เรารู้เรารู้ที่เกิดของมันเกิดเพราะเราเผลอเราพยายามทําความไม่เผลอ มีสติมีสัมผัสอย่ากับมีความภาคความเป็นมีความปวดมีความทนกำหนดจดจาะอย่างนี้ไม่ปล่อยไม่เหลอตัณหาไม่เกิดเรารู้ว่าพอเราเผลอปั๊บมันเกิดพอเรารู้ทันปั๊บมันดับพอเราไม่รู้ทันนะ่ะมันเกิดพอเรารู้ทันปั๊บมันดับทําความรู้จักกับตัวตัวเดียวกับหนึ่งหนึ่งเดียว อารมอย่างใดอย่างหมันชัดเจนที่สุดโดยอุบายด้วยเคล็ดด้วยวิธีของเราให้เรามีความชํานาญกับอารมณ์อะไรอารมณ์อารมณ์อย่างอื่นมันจะค่อยๆกระจายไปของมันเองถ้าความรู้จักอย่างไดอย่างหนึ่งให้ถนัดให้ชัดให้เจนที่สุดอารมณ์อย่างอื่นมันจะค่อยๆรู้จักของมันเองนี่ถ้าเราพิจนนารณา ไล่ยักย้ายผันแปรตามรู้มันะพลิกมันเปลี่ยนไปไงตามรู้ปีเปลี่ยนไปไงก็รู้เปลี่ยนไปไงก็รู้เปลี่ยนไปไงก็รู้เหมือนอย่างที่เคยบอกแหละเพราะมันขยับจับขยับปั๊บจับขยับปั๊บจับขยับปั๊บจับอะไรขยับจิตผู้รู้ของเราเนี่ยมันขยับเพราะมันขยับปั๊บจับเอาสติของเราไปจับมันจับยังไง มันจะเป็นเหมือนคําที่เราพูดไหมนี่จะเป็นยังไงขอให้ทำเจาะความรู้สึกไปใส่ตรงนั้นอะ่ะเราจะใช้คําว่าจับจะใช้คำว่าเจาะจะใช้คำว่ า, คำ ว, า, ค, ำวาคำว่ากํากับความรู้สึกยังไงยังไงมันก็ถูกหมดอะ่ะขอให้เกิดความรู้สึกกับไปที่มันขยับขยับปั๊บจับขยัปั๊บจับขยับปับจับขยับปับจับขยับปับจับขยับปั๊บจับจนทิงน้งมันไม่ขยับมันก็สงบระงับ บางทีเหมือนกับมันขาดไปเลยขาดเลยต้องทำลองดูมีอยู่แค่นั้นนะ่ะขยับปั๊บจับขยับปับจับขยับปั๊บจับอันนี้คืออารมณ์ของวิวปัสสนาหรืออารมณ์ของมาสติปฐานถ้าเราขยับจับขยับจับหมายความเราไม่ได้นิ่งอยู่กับอารมณ์เดียว แต่ถ้าเราเจาะอยู่ที่เวทนาอย่างเดียวหรือเจาะอยู่กับคำดำริอันเดียวพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธุเจาะอยู่กับอารมณ์อย่างเดียวอย่างนี้มันก็เป็นอารมณ์ของสมถตทําให้ใจสงบแต่หากเราแยกมาพูดเฉยๆนะเราเราดูย้อนมาดูที่จิตของเราที่แท้จริงมันมีอยู่ด้วยกันนะั่นะ ทั้งสักทั้งสมถะทั้งวิปัสนามันมีรวมอยู่ด้วยกันนั่นแหละจะต้องละเอียดนะถึงจะทันต้องละเอียดต้องเร็วต้องสติตื่นรู้โรู้ถึงจะเร็วเราทําทําให้เต็มที่ละมันจะมันมันจะขาดไปเลยขาดอารมณ์ที่มันพากระดกกระดิ ก, ดกเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกแตกต่างขึ้นมาอีกอันหนึ่ง เปนย่งจิตของเรามันเร่าร้อนมันดิ่นรนมันกําหนักกับรูปกับเสียงเนี่ยรู้สึกมันเกาะวนอยู่ในหัวใจของเราเราก็มากําหนดก็หมดเกาะก็หนดกาะก็หนดเกาะกํหนดเกาะบางทียืมทันเข้าไปเหมือนการนั้นขาดหายไปเลยขาดยังมีผลตกค้างเหลืออยู่ในหัวใจของเรา อาจามีผลตกค้างอเนื้ออยู่ในหัวใจของเราเหมือนกับกิเลสส่วนนั้นกิเลสตัวนั้นเนี่ยหายหน้าหายตาหายเปลี่ยงไปเลยกี่วันกี่คืนกี่อาทิตย์มันหายไปเลยเราลองดูบาทีมันถึงกับไม่กำเริบขึ้นมาอีกเลยทำความรู้จักทำความศึกษาทำการพิจารณาอย่างนี้ ยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนพือนอนไม่เห็นนอนปุ๊บเรปล่อยปล่อยทิ้งนะ่ะเสียดายเวลานะเวลานอนนอนปุ๊บอย่าไปปล่อยทิ้งเราปล่อยทิ้งเราเสียดายเวลาจอ่ออยู่กับเนี้ยมันคืออะไรก็จับอยู่นั่นแ่ะมันคืออะไรก็เจาะอะไรจะโปรมาก็เจาะความนึกความคิดความปรุงมันตกค้างอยู่กับอะไรจอ่อจับจอ่อจับ จะจับอยู่นั้นแหละมันมันจะไม่นิ่งมันจะไม่คงที่มันจะเปลี่ยนไปตลอดตามรู้ตามต้นมันจะเป็นรูปธรรมมันจะเป็นนามธรรมมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันคอเราจับคอยมีสติกำกับจับอยู่อย่างนั้นแ่ะหมายว่าเราไม่ปล่อยเราไม่ละเราไม่วางเราไม่เว้นตามรู้ตามเห็นตามพิจารณาอยู่นั่นแหละ มันเหมือนกับเราตามกำหนดจดจ่อปอกป้องมันเป็นการสำรวมมันเป็นการระวังสังวรสังวรนี่แหละมันสังวรประทานถ้าเราจะน้องไปหาหลักนี่แหละสังวรประทานสังวรสำรวมความเพียรสำรวมกำหนดจุดจ่อระวังไม่ให้ตันหามันเกิดในหัวใจของเราผมโผล่ขึ้นมาปั๊บโผล่ขึ้นมาปั๊บ จับปุ๊บดับโผล่ขึ้นมาปั๊บจับปุ๊บดับเอาความรู้ของเราไปแทรกแผนแล้วมันจะหายไปเลยเอาความรู้ของเราไปแทรกแทนมันจะหายไปเลยอะไรเกิดขึ้นอะไรหายเขาอารมณ์มันเกิดขึ้นในใจของเราอารมณ์ที่จะมาโผล่ให้เกิดความรู้สึกนั้มันหายมันโผล่ขึ้นมาเราจับมันหายโผล่ขึ้นมาจับแล้วก็หายไปโผล่ขึ้นมาจับแล้วหายไป มันเป็นการมันเป็นการทรมานพฤติกรรมของจิตพฤติกรรมที่เลวๆของจิตพฤติกรรมความโลภของจิตอย่าลืมว่าความโลภ ก, กับตัณหาราคะนี่มันไปด้วยกันมันละเอียดความโลภ ก, กับตัณหาราคะนี่มันไปด้วยกันความโกรธมันไปตามอํานาจของความหลง หลงตันหาราคะหลงรอบหลงโกรธหลงโกรธมันมีอ า, มามรอามณ์ปุ๊บหนึ่งเข้ามามีอารมณ์ปกหนึ่งเข้ามาอืมได้จับเอ๊ะมันหลอมมาได้ยงไงวุกหนึ่งเข้ามาเพราะจับปุ๊บปโปจับความรร้กาศของจิตของเราที่มันดื้อรั้นเกิด ค, ความโลภอยากได้ขึ้นมาการอยากได้มันเป็นเรื่องของตันหาราคะ นับตั้งแต่เรื่องหยาบหยาบไปจนถึงเรื่ละเอียดสุดสุดสุดถ้าเราปล่อยไม่หยุดนี่แหละคือเส้นสายที่มันปรุงในจิตของเราปรุงปรุงปรุงรุงไปปรุงไปจนถึงโน่นนะตัณหาราคะปรุงจนเสร็จสับเรียบร้อยหมดถ้าเราไม่กำหนดจุดจ่อพิจารณาอยู่อย่างนี้นี่แหละคือเส้นสายของมันนี่แหละคือเส้นสายของมัน พอเราตามรู้ตามทันพระมันสงบแะ้วงับมันดับทิี่ใจมันดับที่จิตมันดับที่จิตกายก็เป็นส่วนกายไปจิตก็เป็นส่วนจิตไปหากจิตไม่กำเริบกายก็จะมีผลอะไรหากจิตเราเราไม่กำเริบกายก็จะมีผลอะไรกายมันก็สักวะกายอยแล้วจอมัธย์กาย มันไม่ผิดจอมาที่จิตมันไม่ผิดจะเป็นเรื่องความโกรธความอิจฉาริษยาีดูพฤติกรรมของจิตเราไม่ต้องไปโจดฟอ้องไปที่อื่นเราโจดฟอ้องมาที่ความเลวของจิตของเราการแก้กิเลสก็คือแก้ความเลวของจิตของเรานะแก้จนมันหมดพยศแก้จนมันหมดแก้แก้มันจนจนมันหมดหมดโลกโผมันหมดเพราะมันโผมาไม่ได้ หมดโกรธเพราะมันโผลมาไม่ได้จากนะครับพิจารณาคลี่คลายโอมันโล่เพราะอะไรอ๋อมันโกรธเพราะอะไรงานมากมายเยอะแยะมหาศาลที่เราจะย้อนพิจรารณาพิจารณาแก้แง่ไหนแง่ไหนแง่ไหนมันมีมากมายแล้วเราจะถนัดเราจะจับอะไรจจับเอาผูร้รู้เอาผู้รู้หนึ่งจับ จับความรู้สึกรู้สึกโผล่ขึ้นมาจับร um ู้สึกโผล่ขึ้นมาจับอันนี้ถึงถึงขั้นถึงขั้นละเอียดลึกเข้าไปโผล่ขึ้นมาจับโผล่ขึ้นมาจับพรโผล่ขึ้นมาจับเพราะเราจับมันก็ดับโผล่ขึ้นมาจับจับมันก็ดับเราไม่ถึงก็ว่าจับมันโผล่มาให้เห็นมันก็ดับโผล่มาให้เห็นมันก็ดับโผล่มาให้เห็นมันก็ดับเพราะจะว่าจับก็ใช่ ว่ามันกำหนดจดจออยู่ตรงนั้นน่ะถ้าเราเอาคําสมมุติมาใส่จะว่าอะไรก็ใช่ทั้งนั้นเลยที่วันนี้เราพูดถึงเวทนาเราพูดถึงจิตยังพิจารณามาให้ละเอียดเราไม่อยากสับสนไม่อยากยักย้ายผันแปรตามมันเราก็อยู่กับอารมณ์เดียวพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธมันเป็นการสร้างสติ สริมสติเสริม ส, สมาธิเสริมปัญญาสติสมาธิปัญญามันจะไปในขนาดเดียวกันมันเป็นการทํางานเพื่อให้สิ่งเหล่านี้มันเพิ่มปูนมันทวีทวีคูณมันแน่นหนามันมั่นคงมันมีพลังมันส่งเสริมทุกระยะทุกเวลาทุกนาทีแล้วมันมีพลังยืดเราก็ทําได้เดินเราก็ทําได้นอนเราก็ทําได้บอกแล้ว นอนอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวโยนตีมโยนมือโยอนอะไรไปเหมือนคนตายไม่ใช่นอนก็จ่อมาที่โพรุนจ่อมาพินานเท่าไหร่มันไม่หลับดอกโอ้ได้งานได้งานมากอย่างนี้ถ้าใครเคยทําไดนะ้คนนั้นจะเสียดายเวลานอนภาวนา น, านี่แหละทั้งทั้งที่เป็นเวลาที่เราตั้งใจจะพักผ่อนแต่เราไม่ปล่อย มันอิ่มเหมือนกันนะนันอิ่มเหมือนกันแน่กลายเป็นว่าได้อักได้ทําขึ้นมาขอให้เราถนัดในในงานจะเป็นอีริยาบวใดที่เราจับได้เนี่ยเราจะยืดเราจะเดินเราจะนั่งไปาจะนอนก็พู้ถนัดผู้นี้ผู้ถนัดด้วยจิตดวงนี้นี่คือทําความภาคความเปลี่ยนเอาจับใส่มือเลยมัดมือเลยมัดมือชกเลยว่างนั้นเถอะ โดยไม่ต้องไปคาดไปหมายไปดาวไปนุ้นไปนี่เอาที่มันโผล่มาในปัจจุบันทันบวนสดๆร้อนๆเอาสดๆร้อนๆนี่แหละจับมือมันมัดเลยจับมือมันชกเลยเอาอย่างนี้นะต้ง อ, อกตั้งใจทำความภาคความเ พ, พียรอยู่นี้แหละอารมณ์ปัจจุบันโยกับขณะปัจจุบันจะไปส่งไปอดีตจะไปส่งไปอนาคตแต่ถ้าเรารู้ตื่นโรูอยูเ่เราสามารถส่งได้ นึกเอาเรื่องอดีตมานึกมาพิจารณาก็ได้แต่เราตื่นโร่อยู่ในขณะปัจจุบันมันก็เป็นปัจจุบันราจะนึกคิดว่าถึงการข้างหน้าแต่ได้เห็นที่เราตื่นโร่อยู่มันก็เป็นปัจจุบันมันก็เป็นปัจจุบันปัจจุบันหมายว่ามันทันแต่ถ้ามันไม่ทันเนี่ยตัดเดียวตัาหามสูงรอยถ้าส่งไปอดีตไม่ทันไม่มีปัจจุบันตื่นร่อ ย, อยู่อยู่เนี่ย เรือตันหามันสูงลอยแล้วะจะส่งไปอนาคตเหมือนกันส่งนึกคิดไปวันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะงไงยังบางทีเราไม่ทันอ่ะไม่ทันหมายความว่าปัจจุบันมันไม่ได้ตั้งใจนึกคิดปรุง ม, มันขาดสติตันหาแทรกได้สุดท้ายอยู่แค่นี้แหละเราจะรู้ที่เกิดก็มันเราจะรู้ที่ถับมของมันมันจะเป็นอะไรกันจ้างจ้างมัน เราไม่จะเป็นจะต้องไปเรียกชื่อตามในตาราที่ท่านพูดพดาวกอว้ยแต่ดูมาที่กิริยาการความจริงเนี่ยมันไม่มากเรื่องมันจะไม่ทําให้เราสรับสนมันฟังยากฟังยากนะแต่ถ้ากำหนดตามพิจารณาตามดูตามเนี่ยเราจะรู้เราจะเห็นไม่ต้องไปบ่นเพ้อละมอเมอพบถึงบุญวาสนา บารมีคอยตั้งอกตั้งใจทําตรงนี้แหละให้มันคล่องแคล่วให้มันให้มันชํานาญนี่เป็นการพัฒนาจิตโดยตรงวิชาสมถทวิชาวิปัสนาและทําวิธีนี้เป็นการพัฒนาตามหลักที่ท่านให้เราเจริญมหาสติมหาสติมันถูกไปทั้งหมดจะไปเจริญกรรมฐานบทใดก็ตามวิธีใดก็ตามไม่เกินนี้ ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเพราะเราเดินผูกทางว่าเราเดินผิดทางคอยห้เราตื่นโรูอยู่เฉพาะหน้าอยู่อย่างนี้เรามีแต่เพิ่มพูนทวีคูณคุณสมบัติให้กับหัวใจของเราจะเริ่มรู้จะเริ่มเข้าใจจะเริ่มได้กำลังใจลองกาหนดจดจอทําให้ทียิบลองดูจะเกิดความรู้สึกว่าได้ผลอ้าโอเคนี้แหละวันนี้